งั้นผู้ใดเข้าใจปฏิจจสมบัตา ท, ท่านปลายจะได้พรโสดาบันคือจะได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นจิตมันปลุงขึ้นมาเป็นเคล้คาๆตัวเราถาวรจริงๆไม่มีนี่พอได้โสดาแล้วเราเห็นเลยโลกนี้จะค่อนข้างแบนๆมองโลกแล้วโลกมันจะราบๆบแบนๆไม่โดดเด่นฉูดฉาดดึงดูดความสนใจเท่าแต่ก่อน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 ใจมันเริ่มดิ้นรนว่าทํายังไงจะหลุดพ้นพอมันดิ้นขึ้นมานะั้มันหมองๆไปอีกเสร็จ <Okay. S 1> แล้วพอเรามีสติรู้ทันนะั้นสดใสขึ้มาอีกอย่างเนี้ยกลับไปกลับมานะเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วเจริญเนี่ย <Okay. S 1> จิตจะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเองเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วเจริญวนไปวนมาเจ <Okay. S 1> ถึงจุดสุดขีดเลยปัญญามันแจ้งนะ้ตัวจิตนี้ตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะ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 ขั้นสุดท้ายนะจะไปบรรลุด้วยการเห็นจิตเป็นทุกข์พวกปัญญามากเห็นแค่ว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเราก็ยอมวางแล้วนี่พวกปัญญามากสุดท้ายนั่นก็คือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือจิตไปคืนกายคืนจิตให้โลกคืนกายคืนจิตให้โลกไป<ม>นิโรธมี5ตัว น, นิโรธ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 ถ้าเห็นท่านต้นนะนแล้วก็แจมม่มแจ้งก็จะได้เป็นพระอรหันต<ะ S>์ถ้าเห็นแต่ท่านปลายแจ่มแจ้งก็จะได้โสดาตอนนี้ยังไม่แจม่มแจ้งต้องดูอีกดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะดูไปะกรับค่ะพระคุณแล้วรอบสองนะไปนั่งเก้าอีอ้ซะกล่าวถวายสังฆาลหลวงพ่อเจ้าคะเมื <c oughs> ่อวานตลอดบ่ายนี้เห็น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 ح ح> ไปฟังธทมที่ถ้ำสุกราขาตาฟังพระพุทธเจ้าเทศใช่ไหมจิรัตเราหักหมุมให้จีรัตนึกไม่ถึงส่ฝึกไปนะฝึกไปอย่าไปเพ่งให้นิง่งเพ่งให้นิง่งไม่เกิดปัญญามนมรมกการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกไหมที่ลูกเขาให้มาใจเราไม่เหมือนเดิมแล้ว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 ก็คือตอนนี้ผมทำในรูปแบบอยู่ครับก็แบบจะสวดมนต์เดินจงกรมบ้างครับก็ถ้าทำไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้นะแต่ตอนนี้เกินจริงรู้สึกไหมตื่นเต้นอะไรไปกดไว้คของคุณเนี่ยเกิดกดเก่งนะไม่ได้กดลงไปลึกๆหรอกแต่ว่าอัดไว้ข้างๆประคองไว้ประคองไว้ก็รู้ไปใช่หให้รู้ไปนะรู้ไปจิตหลงไปคิดแล้วทราบไหม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 ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อสัประบานเดือนพฤษภาเป็นครั้ง<ม>แรกเหมือนกันซึ่งช่วงนั้นมีเพื่อนที่เป็นกาลยานามิตรเอาซีดีมาให้ค่ะ<ม>หลังจากฟังก็ช่วยชีวิตหนูไว้ได้เพราะหนูจมอยู่กับความทุกข์นานมากมถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบนะคะแต่วฟัรู้สึกแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วแล้วก็ปพยายามฝึกตามดูกายดูจิตตามที่เข้าใจนะคะตา ม, มที่ฟังในซีดีรู้สึกในช่วงแรกๆตัวเองเปลี่ยนไปอะคะ่ะ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 มีเสียงภาคอะค่ะมัน ม, มีบทภาคมันเหมือนสคริปต์มันเหมือนคอยตามเขียนบทคอ ย, ยตามเขียนซับไตเติลตลอดเล ย, ย, ยหลวงพ่อลืมดูนาฬิกานะเดี๋ยวเอาไม้วางไว้ที่เดิมนั่นแล้วมาส่งต่ อ, อนะ <c oughs> นิมนทรอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวพระอดข้าวลืมไป <c oughs> มันมืดไม่สว่างสักที